ธรรมบทแปลเรื่องที่162เรื่องพระเจ้าประเสนทิโกสนข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเจ้าประเสนทิโกสนตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอโรคยะประมาลาภาเป็นต้นตอน พระราชาเสวยพระกระยาหารจุความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระราชาเสวยพระกระยาหารตั้งทนานแห่งข้าวสารด้วยสูปะแล้วยัญชนะอันสมควรแก่พระกระยาหารนั้นวันหนึ่งเท้าเธอเสวยพระกระยาหารเช้าแล้วอย่างไม่บรรเทาความเมาพระพัดเลย เสด็จไปสู่สำนักของพระสัสดามีพระรูปอึดอัดทรงพลิกกลับไปมาข้างโน้นและข้างนี้อยู่แม้ถูกความหลับครอบงำเมื่อไม่สามารถจะทรงะทมตรงได้จึงประทับนั่งหน้าส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระสัสดาตรัสกระเท้าเธอว่ามหาบพิตร พระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลยเสด็จมาแล้วหรือพระราชาอย่างนั้นพระเจ้าค่าตั้งแต่เวลาที่บริโภคแล้วมอมฉันมีทุกข์มากตอนอุบายแก้การบริโภคอาหารจุลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกระเท้าเธอว่ามหาบพิษ การบริโภคมากเกินไปเป็นทุกข์อย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสสอนด้วยพระคาถานี้ว่ามิทียดาโหติมหคโซจนิ ด, ดายิตาสัมปริวัตตายีมหาวาราโหวะนิวาปปุทโทปุนปุนังคัพภะมุเปติมันโดในการใด บุคคลเป็นผู้กินจุมักง่วงและมักนอนหลับกระสับกระส่ายเป็นดุจสุกรใหญ่ที่เขาเลี้ยงด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมึนซึมย่อมเข้าห้องบ่อยๆแล้วตรัสว่ามหาบอพิษการบริภโภคภชนะแต่พอประมาณจึงควร เพราะผู้บริโภคพอประมาณย่อมมีความสุขเมื่อจะส่งโอวาทให้ยิ่งจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามนุจสะสดาสติมะโตมัตตังญานโตลัทธโพเจเนตนุกัสสะพวันติเวดนาสนิกังชีรติอายุปาละยัง คนมีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้นมีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้วเลี้ยงอายุอยู่ค่อยคอ ย, ย่อยไปพระราชาไม่อาจจะทรงเรียนพระคาถาได้แต่ตรัส ก, กับเจ้าหลานชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ว่าพ่อ เธอจงเรียนคาถานี้สุทัศน์นั้นทรงเรียนคาถานั้นแล้วทูลถามพระสาสดาว่าข้าพระองค์จะกระทำอย่างไรพระเจ้าข้าครั้งนั้นพระสาสดาตรัสกับเธอว่าเมื่อพระราชาเสวยอยู่การพึงกล่าวคาถานี้ในการเสวยก้อนที่สุดพระราชา ทรงกำหนดเนื้อความได้แล้วจากทรงทิ้งก้อนข้าวนั้นในการหุงพัดเพื่อพระราชาเธอพึงให้ลดข้าวสารมีประมาณเท่านั้นด้วยอันนับเมล็ดข้าวในก้อนข้าวนั้นสุทัศนะนั้นถุนรับว่าดีละพระเจ้าข่าเมื่อพระราชาเสวยเวลาเช้าก็ตามเวลาเย็นก็ตาม ก็กล่าวคาถานั้นขึ้นในการเสวยก้อนสุดท้ายแล้วให้ลดข้าวสารด้วยอันนับเมล็ดในก้อนข้าวที่พระราชานทรงทิ้งแม้พระราชาทรงสดับคาถาของสุทัศน์นั้นแล้วรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันตอนพระราชาลดพระกระยาหารได้แล้ว โดยสมัยอื่นอีกพระราชานั้นทรงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีพระกรยาหารแห่งข้าวสารทนานหนึ่งเป็นอย่างยิ่งทรงถึงความสุขแล้วได้มีพระสรีระอันเบาภายหลังวันหนึ่งเท้าเธอเสด็จไปสำนักพระศาสดาเข้าไบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ ความสุขเกิดแก่หมอมฉันแล้วหมอมฉันเป็นผู้สามารถจะติดตามจับเนื้อก็ได้ม้าก็ได้เมื่อก่อนหมอมฉันมีการยึดกับหลานบัดนี้หมอมฉันให้ทิดาชื่อว่าวชิรักุมารีแกหลานแล้วให้บ้านนั้นทําให้เป็นข้าอาบน้ําของทิดานั้นนั่นแล ความทะเลาะ ก, กับหลานนั้นสงบแล้วสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉันเพราะเหตุแม้นี้แม้แก้วมณีของพระเจ้ากุสะซึ่งหายไปแล้วในเรือนของหม่อมฉันในวันก่อนบัดนี้แก้วมณีนั้นมาสู่เงื้อมือแล้วความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉันเพราะเหตุแม้นี้ หม่อมฉันปรารถนาความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระองค์จึงทำแม้ทิดาแห่งญาติของพระองค์ไว้ในเรือนความสุขแท้เกิดแล้วแก่ห ม, ม่อมฉันเพราะเหตุแม้นี้พระศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษชื่อว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทรับแม้เช่นกับความเป็นผู้สันโดษ ด้วยวัตถุตามที่ตนได้แล้วไม่มีชื่อว่าญาติเช่นกับด้วยผู้คุ้นเคยกันไม่มีชื่อว่าความสุขอย่างยิ่งเช่นกับด้วยพระนิพพานไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอะโรคยะประมาลาภาสั้นตุทริปรมังทนัง วิสาสะประมายาตีนิบานังปรมังสุขังลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาตมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตอนแกะอัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาโรคยา ป, ปรมาความว่ามีความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งจึงอยู่ลาบทั้งหลายแม้มีอยู่แก่คนมีโรคไม่จัดเป็นลาบแท้เพราะฉะนั้นลาบทั้งปวงจึงมาแก่คนไม่มีโรคเท่านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อารคยะประมาลาภาบาทพระคาถาว่าสั้นตุดริปรมังทนังความว่าภาวะคืออันยินดีด้วยวัตถุที่ตนได้แล้วซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนของกฤหัสหรือบรรบชิตนั่นแลชื่อว่าสันโดษสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อันยิ่งกว่าทรัพย์ที่เหลือ บาพระคถาว่าวิสาสะประมายาติความว่าบรรดาก็ตามบิดาก็ตามจงยกไว้ไม่มีความคุ้นเคยกับคนใดคนนั้นไม่ใช่ญาติแท้แต่มีความคุ้นเคยกับคนใดคนนั้นแม้ไม่เนื่องกันก็ชื่อว่าเป็นญาติอย่างยิ่งคืออย่างสูง เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวิตซาสะประมายาตีอันหนึ่งชื่อว่าความสุขเหมือนพระนิพพานไม่มีเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านิบานังประมังสุขัง้งในการจบเทศนาชนเป็นนั้นมากบรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเจ้าประเสริที่โกศลจบ